ความสุขหมายเลขหนึ่งตอนตาสว่างนักกลางใจถ้าอยากเห็นให้ชัดๆว่าอัตตาหน้าตาเป็นอย่างไรอย่าดูตอนนั่งนอนอยู่เฉยๆให้ดูตอนโมโหที่รู้ตัวว่าผิดแล้วเกิดอารมณ์พานอยากหาเรื่องให้อีกฝ่ายกลายเป็นคนผิดแทนอัตตา เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ทําให้เราต้องทนทุกข์จริงๆที่จะรู้ตัวว่าอัตราของคุณใหญ่เล็กหยาบละเอียดเพียงใดไม่ใช่ไปวัดกันตอนพักผ่อนนอนเล่นจะ ต, ต้องดูผ่านกลไกการป้องกันตัวเองถ้ารักตัวกลัวผิดเหนียวแน่นปฏิเสธความผิดของตัวไม่พอ ยังขอให้ใครมารับผิดแทนตนอีกแบบนี้แปลว่าอัตตาอย่างหยาบอยู่มากความรู้สึกข้างในยังอึดอัดรุ่มร้อนมากยังอีกไกลกว่าจิตจะหยุดดิ้นได้อัตตาคืออุปาทานเป็นแค่อาการยึดไปเองหลงไปเองของจิตยิ่งหลงยึดมากยิ่งอึดอัดมาก อัตตาหยับๆยับทำให้มีจิตหยับยาบจิตหยับยับเหนี่ยวนำให้ก่อบาปหนักๆบาปหนักๆบังตาบาังใจให้เห็นผิดเป็นชอบกลายเป็นอัตตาพอกพูนขึ้นไปกระทั่งถึงจุดที่อยากได้อยากมีเพื่อตนเองไม่สนว่าใครจะเดือดร้อนขนาดไหนสำหรับคนอัตตาเบาบางไม่ใช่ไม่มีกลไกปกป้องตัวเองเลย ยังมีอยู่แต่น้อยเช่นผิดแล้วไม่อยากรับผิดอยู่แค่ชั่วอึดใจสั้นๆจึ๊กเดียวหรือกระทั่งเต็มใจรับผิดทันทีแม้ฝืนนฝืด ด, ดอยู่ข้างในบ้างก็ไม่กระสับกระสายให้ใครเห็นยิ่งกลไกลการปกป้องตัวเองน้อยลงเท่าไหร่ยิ่งสะท้อนว่าอัตตาเบาบางลงเท่านั้น เมื่ออาการดิ้นรนเพื่ออัตาน้อยความทุกข์ก็น้อยและเส้นทางทุกข์ก็สั้นลงเรื่อยๆเพื่อจะเริ่มฝึกลดอัตตาต้องสังเกตโทษทางใจให้ชัดเช่นเมื่อผิดแล้ไม่ยอมรับผิดแม้รอดตัวลอยนวลไปได้หรือหาแพะรับบาปแทนได้ก็ต้องรับโทษทันเหมือนติดคุกอยู่ข้างใน รู้สึกลึกๆว่าตัวเองเป็นคนชั่วร้ายกลายเป็นขี่ข้าปีศาจหรือถูกขังรวมกับตัวบ้าอะไรสักตัวที่มีแต่ความกลัวผิดคิดเพียเพ้ยนๆมุ่นงานไม่เลิกเมื่อจับได้ไล่ทันเห็นโทษภัยของอัตตาคุณจะกล้ารับผิดมากขึ้นพยายามปกป้องมันน้อยลงและพอเอามันลงจากบ่าได้ ก็อาจโล่งเหมือนยกภูเขาออกจาก อ, อกนึกชอบอัตตาที่เบาบางลงจริงๆเมื่ออัตตาเบาบางลงแล้วคิดเจริญสติจะเกิดความก้าวหน้ารวดเร็วเห็นอัตตาละเอียดไม่ยากแต่หากอัตตายังหยาบยังหนาหนักแล้วคิดเจริญสติหวังมากผลนอกจากจะไม่ได้ผลไม่กระเทาะอัตตาออก ยังกลายเป็นเจริญสติพอกอัตตากว่าจะรู้ตัวอีกทีก็อาจเห็นข้างในพิลึกกึกกือเบาบางก็ไม่ใช่หนาหนักก็ไม่เชิงคลายรูปร่างหน้าตาของตัวตนที่แท้จริงบูดบูดเบียเบ้ยวเบี้ยวกึ่งเทพกึ่งปีศาจเป็นที่น่ารำคาญแกตนเองยิ่ง